วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องขันติปารมีขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นอดออมอดเอาอดเนืะขันติปรมังตะโปติติขาขันติเนี่ยเป็นธรรมเครื่องเผากเกรียดอย่างยิ่ง เผาอะไรอะ่ะเผาความชั่วที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยขันติบารมี นั่งภาวนาเนี่ยอย่างน้อยให้ได้วันละแปดชั่วโมงวันคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงเราไปทำอะไรจริงไม่มีภาระธุระอย่างหลวงพ่อเนี่ยแทบไม่มีเวลาว่างในวันหนึ่งไปทำจิตของสงฆ์ไปทำจิตของหมูนะ่คณะ เหมือนก็เป็นตัวแทนวัด่ะทุกอย่างก็มาลงที่หลวงพอ่ออย่างพวกเราเนี่ยทานข้าวเช้าแล้วไม่มีอะไรเราก็มานั่งที่ลานธรรม่ก็ได้เดินจงกลมก็ได้เดินที่ห้องเราก็ได้นั่งภพราะวนา มันหลับก็นั่งหลับไปเลยมันอยากหลับก็ให้มันหลับใช่หมมันเต็มที่ไปเลยอยากหลับดีนักหลับไปเลยตื่นขึ้นมาเขาเอาใหม่มันต้องทำอย่างนี้นยเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปฝึกตัวเองแนละ้วใครจะมาฝึกให้เรานะไม่มีลนะ่ะ ดีชั่วตัวเราทำท้งนั้นสูงต่ำเราก็ทำตัวเองเราจะทำให้คนเขากราบไหว้บูชาก็ได้คือฝึกให้ศีลฝึกให้มีศีลฝึกให้มีสมาธิฝึกให้เกิดปัญญาปัญญาญาณอย่างรู้ เห็นตามความเป็นจริงก็แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายความรู้นะแต่นี่เป็นความรู้หลักๆคือทานศีลสมาธิปัญญานี่แหละ เราก็ฝึกให้มันเกิดมีที่ชีวิตเราเนี่ยอะไรมันยังบกพร่องอยู่ล่ะอะไรมันยังพร่องมันไม่เต็มเหมือนน้ามันพร่องแกวแ้วเราก็ค่อยค่อยเอาน้ําหยดไว้ให้มันเต็มอยู่เสมอ ให้มันเต็มแก้วอยู่เสมอเต็มที่จิตใจใจเราต้องมีคุณภาพต้องมีคุณภาพครับแก้วเลยลถ้าดงใจมันไม่เอานะมันไม่เอาหมดเลยถ้าดงใจมันชี้เกียจมันก็ชี้เกียจหมด ไม่เอาไม่สร้างไม่ทำไม่ทำอะไรั้งนั้นอยู่เฉยๆมันก็ได้ได้กินไปวันหนึง่งได้อยู่ไปวันหนึง่งเดี๋ยวก็ชาติหนึ่งละก็แป๊บๆต่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติในทางพระพุทธศาสนาเลยทานสมบัติก็ไม่ได้สร้าง สิญสมบัติก็ไม่ได้รักษาสมาธิสมบัติก็ไม่เกิดปัญญาสมบัติแทบจะเกิดไม่ได้เลยนิพพานสมบัติไม่ต้องพูดถึงเลยละยากเรามาอยู่กันเนี่ยเรามาฝึกกันทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละ ฝึกไม่ใช่เราฝึกเก่งแล้วเราฝึกเก่งแล้วไม่ต้องฝึกแล้วอะไที่มาฝึกนี่ก็เพราะยังไม่เก่งยังไม่เป็นบางท่านบางคนก็ฝึกได้แล้วดีแล้วก็ อ, อนุโมทนาสาธุด้วยสำหรับบางท่านบางคนเนี่ยมันยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย ทานศีลภาวนาก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นเราจะต้องฝึกความอดทนทนอ่านที่เรามีเยอะเลยดีนี้ไอเสอถูบนี่ก็ดีเนี่ยเอียงหน่อยก็จะเอา พัดลมแอร์น้ำมาแปดตัวเนี่ยไม่ร้อนหรอกมันก็เป็นไปนตามธรรมชาตินั่นไม่ใช่หินมันไม่ใช่ถ้ำมันก็คล้ายๆหินเหมือนกันเนี่ยคล้ายๆถ้ำเหมือนกันแต่อากาศมันร้อน ทนาหนาวก็จะอุ่นในนียอุ่นนี่หลวงพ่อสร้างใหญ่ที่สุดนั่นเน่ยยี่สิบคูณยี่สิบเมตรนั่นเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศเลยมั้งเดินไปก็คิดอนุนคิดนี่ไป ฉลองก็นูนอ่ะพระนั่งสองฝั่งเลยแถวนูน้นแถวนูน้นไปนูน้นแถวนี้ไปนี้ไปนูน้นโยมนั่งตรงกลางโยมอยู่ในโซนกลางเท่าที่จะนั่งได้แล้นั่นก็ น, นั่งเต็นท์ข้างนอกเต็นท์สีขาวเราสั่งมาอีกสักสิบยี่สิบเต็นท์ ตอนนั่งนั่งบนหินเลยไม่ใช่ไปนั่งข้างนอกก็นั่งในหินเนี่ยสะอาดสะอ้านพรเราก็น่าจะสักร้อยองค์นี่มันเฉพาะ ที่เคารพนับถือกันแค่นั้นเนี่ยจะเปิดโอกาสให้โยมเป็นเจ้าภาพกันเลยเอยาไว้เกะไก่ก่อนจะเอาไว้โอกาสต่อไปมันต้องมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยให้เราพยายามอดเอาทนเอา แช่ไม่ได้หนังสือก็อ น, นิมนต์ท่องพระใหม่ต้องท่องปงอ ბ ัตให้ได้นะลูกนะไม่ใช่ไปเปิดหนังสือดูจนวันศึกไม่ใช่อเวลาว่างมีฉันเช้าเสร็จฉันเพลิเสร็จไม่มีอะไรทาก็เปิดหนังสือท่องสับปีพระวัตุสับยะถาเนี่ยให้พร ให้พรโยมเ็าทำอาหารเลี้ยงเราทุกวันเนี่ยต้องตอบแทนเขด้วยการให้พรตอบแทนด้วยการรักษาศีลตอบแทนด้วยการนั่งสมาธิตอบแทนด้วยปัญญาเราให้อดิยรกทรัพย์เขาก็คือบุญเนี่ยแหละมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เขามาทำบุญเขาปะ เอาเงินซื้อข้าวซื้อของมาทุกท่านทุกคนที่มาเห็นซื้อบ่อยหน่อยไม่เลี้ยงแมมมั่งซื้อกับทุกวันเลยพอมีก็ทำไปลุกโชคดีนะมีทำบุญนะบางคนไม่มีจะทำบุญนะ เงินจะทำบุญไม่มีเงินจะกินยังไม่มีเลยเดี๋นี้มันอดอยากนะทุกวั น, นคนมันจนลงไม่ใช่รวยขึ้นโดยเฉพาะชนรบทอย่างบ้านพวกเราเนี่ยยากที่จะหาเงินได้วันละสี่ห้าร้อยเนี่ยยากทำงานก็ไม่มีคนจะจ้างกนะ็เพราะมันไม่ใครหยันนี่แหละมันไม่อดทนนี่แหละ เป็นอะไรเขาก็ไม่จ้างก็ขี้เกียจทำแต่เหมือนกับผักชีโรยหน้าประมาณนั้นนะนะหมายถึงทั่วทั่วไปนะจะไม่มันผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าเราทำจริงๆอดทนจริงๆโอ้ธรรมชาติเขาไม่ปล่อยจนหรอก เคยสมัยก่อนนั่งรถทัวร์เคยฟังเพลงบนรถทัวร์นะไม่รู้ใครมันลองแต่จำได้ขึ้นใจเลย ค, คนจริงนะไม่จนหรือว่าคนจนนะไม่จริงมันทำอะไรทำไม่จริงก็จนตลอดไปคนที่ก็าทำจริงๆทำอะไรก็รวยทำสวนทำไรทำนาขายของ เขามีหัวสมองทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเขาเรียกว่าเงินไหลนองทองไหลมาเพราะมีปัญญามีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันบางคนบางท่านมันมีเหมือนกันปัญญาแต่มันไม่ใช้ปัญญาไปในทางหาทรัพย์ ใช้ปัญญาไปในทางทำลายทรั์เช่นเล่นการพานันเป็นต้นยากจะไปถูกระวันที่หนึ่งมันไม่ใช่ของง่ายล้านในหนึ่งคิดดูสิมันไม่ใช่บุญวาสนาเรายากเราไม่เคยทำบุญไว้มันยากครับ ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่มันยากเติมตัวสออีกเป็นร้อยตัวพันตัวหนึ่งฉะนั้นเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดเลยไหยพระสวดมนต์ฟังทำนั่งสมาธิอเอาแค่นี้แหละอาชีพพวกเราเนี่ยหมายถึงอาชีพนักบวชเนี่ยนะดูหนังสือธรรมะท่องหนังสือธรรมะแค่นี้แหละ เ้าก็อยู่ได้กินได้ตลอดชีวิตนี่แหละเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็กลับไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็กลับไปทำอย่างนั้นมันก็เจริญลงหมืนเดีมันไม่ใช่เจริญขึ้นหรือเจริญเจริญเจริญลงไปอยู่ที่ไหนก็เสื่อมเพมันไม่เจริญขึ้น ธรรมะฟังึฟังจนตายก็ไม่รู้เรื่องก็หนึ่งเราไม่สนใจฟังสองฟังแล้วก็ไม่ทำตามไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะไปได้เรื่องอะไรนะฉะนั้นเราก็เป็นนักบวชท่านหนึ่งคนหนึ่ง แล้วก็อาศัยความอดทนเนี่ยสร้างบุญบรารมีไปหนักนิดเบาหน่อยร้อนหน่อยหนาวหน่อยก็อดเอาทนเอาสู้ไปถ้าสู้น่มันมีทางชนะนะถ้าแพ้มันมีแพ้กับแพ้นะไม่ชนะเลยถ้าลงแพ้เนี่ยก็คือแพ้ไม่มีทางชนะเลยแต่ถ้าสู้เนี่ยมันมีทางแพ้กับชนะ เราก็เลือกเอาจากนั้นก็ขอปารบพูดคุยไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านทุกทุกคนเธอทสาทุส า, สาอนุโมทามิ